ญญตงแต่ที่ตนเข้ทบริษัททั้ลายวันนี้ตรงกับวันที่17มกราคม2532เป็นวันบรรทุกเสกียงโดยจะว่าการพูดวันนี้จะเป็นการพูดในรายการวันที่13มกราคม2532แต่เมนนื่อแปลว่าตอนเช้ามืดตอนตีส ของวันที่3มกราคม2 5 1 2เป่นขึ้งกลางนอนเวลาตี 2.14 เพราะเวลานั้นเป็นเวลาเริงกรรมฐานในตอนดึกเป็นประจำวันแต่ก็ต้งว่าพรรบาทสมเด็จพรบริษัทมาร่วรงแปลกที่ต้องคิดเพราะว่าไม่ทันจะลืมตาพอมีความรู้สึกตัวขึ้น ก็เห็นภาพพระองค์หนึ่งลอยอยู่บนศาสตร์ใการลอยว่าท่านไม่อยู่ในท่ายืนหรือท่าเดินหรือท่านนั่งตรงการลอยในท่านนอนรูปร่างอ้วนๆลักษณะสูงต่าประมาณกางคนเป็นลักษณะทวมผิวเรืยบแสงสีก็พิจารณาดูว่ากร้องมีเป็นใคร ตามความรู้สึกคือว่าพระองค์นี้เคยรู้จักกันมาก่อนว่าบุ็คนที่เคยฟุดเรื่องกันมาในชาตินี้ก็มองเท่าไหรก็ไม่เห็นหน้าก็มีหน้าผ้าคลุมหน้าคลุมทั้งตัวก็จริงไม่รู้ว่าท่านองค์นี้เป็นใครแลว้วขณะการนอนบรรดาท่านพุทธบริษัท ต, ตามความรู้สึกบอกว่าเวลานี้พระองค์นั้นตายซะแล้ว แล้วจะเป็นการตายสดๆเร็วๆไม่นานนักอาจจะไม่ถึง24ชั่วโมงนี่พูดขึ้ตามความรู้สึก ข, ของนุม้มรพูมิรากฏถ้าจาถามาว่าเวลานั้นจะเป็นกรรมฐานหรื อ, อยังก็ต้องตอบว่ า, า, ากรรมะกรรมฐานการใช้าเทวนายกรรดปนิยเป็นกปกติ ผพิจารณาก็ ด, กดีภาวนาก็ตามเวลาก่อนหลับทาเสมอแต่เวลาหลับปัรดาท่านพุทธบริษัทท่านถือว่าเป็นการทรงอารมณ์ในสมาธิก่อง น, นั้นแต่ถือว่าเวลาตื่ขึ้นมาเวลานั้นยังไม่ทันภาวนาถ้ามีความรู้สึกตัวแต่จิตมีความรู้สึกกระรับรู้ลงให้ยใจท้อมีนไม่จบเกิด ถา้าถามว่าเป็นการใช้ทิฏฐิปยานใช่ไหมต้องตอบว่าไม่ใช่ภาพนี้เป็นภาพจะกรแสดงเหินเองเขาสามารถจะบังคับได้ดะนั้นในภาพนี้มีผ้าคลุมทส่สกุมตลอดตัวคือคลุมผ้ายิ่งโนสามารถจะมาคับให้เปิดผ้าได้ถ้าเป็นทิฏฐิปยานก็สามารถจะมาคับให้เปิดผ้าได้เมื่กอยากจะรู้ชื่อพระองค์นี้ ความรู้สึกก็ไม่ยอมบอกควา ม, มีความว่าชื่ออะไรก็ไม่มีความต้องการชื่อข้าจริงๆก็มีเสียงผู้ชายกับผู้หญิงดังมาจากอากาศผู้ชายบอกชื่อพ่อผู้หญิงบอกชื่อแม่ไปว่าผู้หญิงก็ลักษณะนคนบางๆผิวขาวลักษณะสูงส่สงดี ผู้ชายเขาเป็นคนรูปร่างค่อนข้างใหญ่ลักษณะผิวเนื้อสองสีค่อนข้างขาวลาักษณะเทียมท่านบอกว่าพระโอ๋นี้มีพ่อชื่อนี้และผู้หญิงบอกว่าพระโอนี้มีแม่ที่อนี้อาตมาไม่รู้แม่จะชู้่ท่านโพตา ย, ยจะไม่ร้ชื่อพ่อแม่จะ ป, ประโยชน์อะไรก็ยังไม่มีการสนใจ ว่าพ่อแม่ช่ออะไรนะั้นเป็นเรื่องของพ่อของแม่แล้วก็ไม่อยากจะจำเวลานี้ก็จําไม่ได้อยากจะรู้ชื่อของพระนี้นมืเท่าไรต้องการเท่าไรก็ไม่สามารถจะรู้ได้จึงคิดว่าไม่รู้ก็แล้วไปยังมาคิดในใจว่าพระอนุตายแล้วหรือย่งอางเวลานั้นกับราย ก, กภาพพระสิสามองค์ พระสามองค์เป็นพระที่มีความสําคัญบรรดาท่านพุทธไวสัตจะเป็นพระอะไรมั่งก็ไม่พร้อมบอกลอยอยู่หน้าพระนี้แสดงว่าก่อนนี่พระจะตายพระองค์นี้จะเห็นภาพพระสามองค์นี้ลอยเบืนน้องนาเวลานั้นจะมีความชื่นใจว่าลักษณะอย่างนี้ถ้าเกิดขึ้นก็ไม่มีความจําเป็นต้องถามว่าพระองค์นี้ตายแล้วดุจจะมีทุกข์ ในการผู้หอมพระบรรด า, าพระพุทบริสัทธ์แต่การบอกข้อความศักดิ์โดยตรงดังนั้นพระองค์นี้อย่างต่ําก็ไปสวรรค์ถ้าจิตใจมีความมั่นคงก็ประทุมวัโลกถ้าเวลานั้นเวลาที่ใกล้จะตายพระร่างจิตใจไม่มยอมร่างตายก็ไปนิพพานพวกนิพพานในบรรด า, าพระพุทธบริัทธ์เป็นของไม่หนักนักสมบัติคนที่มีความเข้าใจ อาตมาเขาอังมาพูดเรื่องนี้กแล้วนั่นสยเ่ดวกันก็มีพระองค์หนึ่งท่านมาดา่าบอกว่าอาตมาไม่ไม่เข้าถึงนิพพานตายแล้วจะไปอาบายภูมิแต่เวลานี้มันยังไม่ตายเมื่อเมื่อมันยังไม่ตายก็ปฏิพันธ์เป็นก่อนเวลาตายแล้วมันจะไปไหนก็ช่างมันไประไรเพราะว่าด่าเป็ น, นพระตบัตว์จะไปจะไปจุดใจนั่นดา่าเลยมีความสาคัญ ผู้พยยระพุทธเจ้าเสาวาสนาคิโรเกนิวโตคนไม่ถูกบาไม่ถูกว่าไม่ถูกสุณพาม่มีเลยในโลกเป็นของธรรมดาเพรว่าพระราชนั้นเไม่บ่ากั น, นเราเมื่อภาพนั้นยังลอยชัดลืมตาก็เห็นหลับตาก็เห็นเว่าคุณว่าภาพนี้เห็นเฉพาะหลับตาเนี่ยแล้วก็จะเรีว่าไม่เห็นภาพจากผู้ปุถุยานต้นภาพที่สแสดงให้ปรากฏ เวลานั้นจะมีความรู้สึกอย่างหนึ่งว่าพระองค์นี้ท่านยะไปโสสุปติท่านไหนหรือว่าไปโสทุกติถ้าไปโสทุกแบบติก็แสดงว่าการบำาญธรรราศียิวง น, นึกถึงลุงทั้งสองพ น, นึกถึงท่านลุงท่านจมาท่านมันมาเฉพาะสององค์เวลานั้นประกุมาเตนไปหมดโตเยอะแยะมากมาย ก็นึกในใจว่าพระองค์นี้มีบุญจริงๆนะเวลาครูตายคนท่านมีเทวดามีภูมสนใจวันถามลุงว่าพระองค์นี้น่ะเคยมีบาปไหมตั้งแต่เกิดมาเคยทำบาปประภูสินไหลงุงท่านก็ตอบว่าคนที่เกิดมาในโลกจะไม่เคยทำบาปเลยงหาแสนญาก เก็ดมาตลาด้วยว่าไม่มีใครเลยในโลกที่ไม่เคยทำบาปการฆ่าบุบมัดให้ตายก็บาปบียยงให้ตายก็บาปการด่าเขาก็บาปนินทาเขาก็บาปมันบาปไปหมดการพดขดมดให้ก็บาปการเดือดรามีไรก็บาปรักคนที่เขาไม่รักอนุญาตเขาไม่อนุญาตให้จบบาปเทือของที่บุคคลอื่นไม่ให้มาเป็นคนทนดัไม่ชอบทำก็บาป ท่นบอกว่าคําว่าบาปย่อมมีแก่คนทุกคนก็ถามเร่องบอกว่าถ้าอย่างนั้นพระองค น, นี้ถ้ามีบาปเวลานี้ไปสวรรค์ได้โชตสุขติและทุกติท่านก็ตอบตรงๆว่าเวลานี้วิโสสุขติการันดาตอนพุทธบริษัทคำํำว่าสุขติหมายถึงสวรรค์ก็ได้ตุมโลกก็ได้นิพพานก็ได้ อาตมาก็าถามท่านตอบไปว่าไปโซสวัสดิท่านไหนท่านบอกให้แต่มันดาเทาพุทธบริษัทไม่ควรจะพูดมีเสีงหนึ่งต้องคามาบอกไม่ควรจะพูด้วเมื่อมีเสียงกล้องคมมาเสนอพูดว่าไม่ควรจะพูดก็ขอไม่พูดคือว่าถ้ามีความสุขแล้วก็ใช้ได้ ต่อไปก็ถามได้บกว่ากรรมที่ผู้พุทธนาคองใจทศวรรษนี้มีอะไรบ้างท่า น, นบอกว่าตัวท่านองค์ ก, ก่อนจะตายก็มีความกังวลอยู่อย่างหนึ่งนั่งคือบระมงงานต่างๆบางครั้งเขาทํางานเพื่ออะไรเพ ไ, ได้สร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างเจดีย์สร้างศาลาการประชวมสร้างวัดสร้างอะไรก็ตาม เพราว่าท่านไปทำงานคนเขาจไว้ทา่านใครจะไหว้สปัจใจจะวัดด้วยและจะมาแว้ถวายท่านอีกในการนี้ถ้มีความเข้มงวดอยู่เล็กน้อยคิดว่าเป่จงจิตที่ไม่สมควรที่เรานาํามาไว้ของเราน่าจะถวายไว้วัดนั้นแต่เจ้าสงนันท์ทำไปแล้วก็ถามก็ว่าถ้าอาการอย่างนั้นแต่การบาปเริม่มบาป เขาถวายให้ท่า น, ว, จจานาวัดใจสายโฆษนาวัดใ่สร้างโบสถ์สร้างเวลานการเรียนสร้างอะไรตัวอะไรก็ตามแต่เขาถวาย ว, วัดแล้วก็มาแวะถวายท่านด้วยท่านหลวงสมบอกว่าการถวายให้ก็ถือศุกรเป็นโตรงสัพว์ถึงส่วนตัวเขาตั้งใจถวายโดยส่วนตัวจับว่าเป็นบาปไม่ได้แต่เรื่องหน้าข้องใจมีอยู่นิดเดียว เพรว่าจิตดวงนี้มีจงวนใกล้โลภะทั้งแม้ว่าจะไม่เป็นบาปก็น่าจะสือสละดมอบหมายไว้กับวัดนั้นเพื่อเพิ่มพลังพลังบุญกุศลเป็นการสร้างเจริญสัตย์ภัยะบรรดาท่านพุทธบริษัทเพื่สร้างความพื้นใจแต่นี่บางครั้งท่านเถิดไปนำมาวัดด้วยอันนี้ไม่เป็นปัจจัยส่วในไบายภูมิ แต่เปอุปสรรคไข่คล่องนิดหนึ่งที่อาจารที่จะไปนิดผ่านเ <c oughs> มือ า, ามแค่วราบในลมหนักไหมท่านบอกว่าไม่หนักที่รวมความว่าเรื่องพระองค์นี้บรรดาธรรมพุทธวิสัชต์ตรรลาดจริงๆที่อยู่ก็กลอยหงุต่อมาในตอนเช้าวเวลาประมาณบัวเงยเงยมีเจ้าหน้าที่เอาทนเลขไปส่งให้ ในโทรเลข น, นบอกว่าหลวงพ่อมหาทางปอนมัตมันธาเทวปฏิตริตมรณะธาถึมรรคที่หกสมบุคคลาคมสอพามสิอท่านี่โทรเลขมาชื่อกระส่พระโมในใจว่าโอโทงพระองค์โอโอนี้ไม่ใช่ใครคื อ, ท, อท่านมหาทงปอนั่นเองถ้าเราหาทางปอนรามความเท่ทานไม่ตมาตรง แต่ว่าท่านยอมรับนับ ถ, ถือถือว่าเป็นผูม า, าจารยของท่านอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นลูกศิษย์เหมือนกันแต่ด้วยว่าขึ้นขี้แวกฏคุ้มคำที่เป็นอวสันต่างๆก็ยังมองไม่เห็นเพราะฉะนั้นเจตนาของท่านดีเคเป็นเจ้าหน้าอําเภอองค์นี้ถ้าจำไม่ผิดมว่าเป็นประเรียน อ, อุปยคกแลได้ป ร, ริญญาป ร, ริญญาทางพระศาสนา โดนว่าจะเป็นลอกเติ์มาจากอินเดียถ้าจำไม่ผิดนะแล้วต่อมาก็มาเป็นเจ้าหน้าอําเภอที่อําเภอ ท, ที่จังหวัดสุขโขทยัยถ้าจไม่ผิดก็เป็นที่สัชนาลายัยต่อมาก็ลาออกจากเจ้าหน้าอําเภอมาอยู่อิสระอย่างนี้ก็ถือว่าต้องการาีก็เป็นความดีดันั้นเม่อวัดฤาษีจะมาเองอยากจะไปก็ไปไม่ไหวกันป่วยหนะัก อาการทางท้องคดมากไม่ได้สงใจไปช่ยยยยวยพรบรรดาท่ววานพุทธบริษัทจะบอกความบาปพระที่มันลอยถึงคือสมหาทองปอนมหาทองปอนในก่อนทุกับัดุดเห็นพระสามองค์ลอยอยู่เบื้องบนจุดเดีก็จดจ่อจับอยู่ที่พระสามองค์นั้นอย่างนป็นแรมของมหาอุสุนบรรดาทานพุทธศาสนิกชน แต่ามาหาทำความดีไปไหนนั่นมันเป็นเรื่องของท่านปรุงความดีที่ท่านทำไปแล้วองค์ขวัญดาท่านพ ร, ระตวายสัทวก็เป็นสา ว, สาวสากพระองค์สมบูรณ์สบายที่แจ้วจงพาการรักษาความดีที่มีไว้แล้วเหมือนเคยรักษาความคินาด้วก็มาคุยเ ร, าาา ร, รื่อวิชาการวิชาการรู้ด้วยตบันดาท่านพระตวัท มันมีสามนัดเรื่องมาสอนบทของกรรมฐ า, านคือวิชาสามและอสัญญา6ท่านฟังให้ดีนะวิชาสามน่ะมี3อย่างคือ 1. พุทธะกุยยาน 2. ปุปุพวิวายาสัญญาห 3. สามอสระขโรยา น, าายานถ้าพูดเป็นภาษาไทยสัจหวะหนึ่งมีจิตใจเป็นคิดคล้ายตาทิพ เราปกเพรียววาสามวิทยานริชาได้โดยไม่จำกัดและถ้าสามอสทร ย, ยานทำเกิเที่สิ้นไปถ้าถึงดบโสดาสีทาชานาสารหันอย่างใดอย่างน่ก็ถือว่าเป็นวิชาสามถ้าหากว่ายังไม่ถึงไปโสดาบางให้ไปก็ถือว่าได้สองในวิชาสามืหนืนดาคุทิทย์ย า, ยาปกเพยวาสามวิทย์ รล้ใจสำหรับ อ, อาสนยาหนเมืองทุกทุกทุกได้แสงดงฤทธิ์ได้หนึ่งแสงดงฤทธิ์ได้สองมีทิฏฐปัจจายามีทิเป็นทิกหมึ่งจะมีหูเป็นทุกสามรูกกำหนดรู้ใจคนอืน่นคือแล้ทุกชาติได้ไม่จากัดห้าได้ตาทิฏปัจจยานหูเป็นทิปทัจจายานนะ แต่หาได้ทุตขุยานเหตุตาเป็นทุตได้วะบบรู้จ่ายรัศวะให้สุณไปเมื่อมาเจนนาจกรรมฐานที่สุดแห่งจำบันดาท่านพุทโิสัตว์เห็นว่าท่านที่ได้อย่างต่ำจะเป็นพูดได้จากสองนวิชาสามตัอันดับแรกตัสุทุตขุยานเหตก่อน สามารถอห็นผีเหนน้ำดายเนมรุษยสวรรค์เห็นปรมโลกฉะนั้นเห็นเราได้การ่อบใจตามความรู้สึกของจิตเราสองปุเพรมีวาสนาสตูยานสามารถเลือกชาบได้โดยไม่จำกัดทั้งสองอย่างมันดาท่านพุทธวิสัท์ถ้าทำให้คล่อง่าถือว่าทุกคนมีความคล่องสองในวิชาสาร ท่านยังอยู่ในหมดของอิชาสามําให้ดีนะแต่ทุกคนที่ทําได้แล้วอย่าทิ้งก็ต้องทําให้คล่องจริงๆสุดผลทุกวันอย่าทิ้งเพื่อแต่เ้ามืดครั้งหนึ่งก่อนหลับครั้งหนึ่งเอาจิตใจจับสมาทานที่ถึงได้คําว่าทุตุยานถ้าพิ่งได้สองสาวันจะเสื่อในการรู้จากจุดที่เรียกว่าทุตุยานจงอย่ารู้เองเฉยเ ให้ถามตรงองค์สมเด็จพสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าวมีคนยก้านบอกว่าพระพุทธเจ้าธนิพการไปแล้วถามที่ไหนก็ตั้งใจถามถิดแม้จะเป็นพุทธนิพการก็ได้ให้เห็นว่าเป็นพระพุทธเจ้าเราก็ถามแต่มีความรู้สึกว่าคําตอบอย่างไงจาํจาวำว่าจําบัดจําไัดว่าอย่างนั้นเทีไม่ควรผิดถูกแน่โดยตรงเสมอ ใจการเอนุถามพระพุทธเจ้าให้สร้งางจพันจิตใจใสอาดจะมีวห้าราการก่อ น, นวลห้าสวนหนึ่งความรักในระหว่างพืชสองความโรดหรือความเพียาบบัสาความม่วงสี่จุดโค้ส้นห้ 30, 30, าห้าความ่ื่อสามสามจุดโส้นสสาขอโทษอม่นะ มุมความรักในระหว่างภูมิสองความโกรธทุกความเจบ็บปวดสามความวา่องสี่จิตงอชั่นห้าสงใสัยเมื่อผลการปฏิบัติทั้งห้าอย่างไม้อยากมีอในจิตของบรรดาเป็นพุทธวิสัชน์เฉพาะเวลานั้นเมื่อจิตสะอาดบริวารนั้จับภาพพระพุทธเจ้าภาวนาจับลมไม่ใจเขา อ, ออกสักประเดี๋ยวหนึ่งพอจิตเป็นสุขละภาวนาละลมไม่ใจเขา อ, ออกก็จิตจับภาพทันที อย่างนี้ฝึกอาจจะรู้ไรลได้ทุกอย่างแต่มาการฝึกจริงๆมันมากกว่านั้นก็มาดูหมวดข้อพัญญาว่าท่านที่ฝึกไปได้แล้วมีอะไรบ้างในหมดข้อปิญญาที่ท่านได้แล้วหนึ่งแสดงรุดได้การแสดงรุดหรือแสดงศาสตร์ทางกายนี้มาเด็กฝึกให้ให้ถามว่าโชูผู้ขุดทำได้ไหมก็ต้องตอบว่าทําไม่ได้ ทางนี้เพื่ออะไรจงไม่ว่าท่านที่ทาได้แล้วก็ต้องทําไม่ได้รา ต, ตมาเองเนี่ยทาไม่ได้จริงๆนะไม่เช่าทาได้แล้วบอกว่าทําไม่ได้ก็ต้องถือบอกว่าทําไม่ได้จริงๆการแสดงฤทธาเอ่อเนื่อใาโดยสายไม่ได้แต่ฝึกฤทธิทางใจให้ชื่อเรียกว่ามโนโมยุทธิคําว่ามโนโมยุทธิแปลว่าฝูงฤทธิ์ทางใจ นั่นหมายความวันนาเอาใจเพื่อทีิศมาดายกายภายในไปสวรรค์ก็ได้ไปพม่าโลกก็ได้แต่เวลานั้นจิตสวยอดไปนิพพานก็ได้หรือว่าถ้าหากว่าจะต้องการพม่าโลกเพื่อแดนเวสวรโชติตายสติแข็ก็ได้นั่นเป็นลทธิ์ทางใจจริงแล้วก็ใช้ได้ผลเหมือนฤทธิ์ทางกายฤทธิทางกายถ้ า, ายป่วยเข้มสบายเมตการเคลียอ ถ้าใช้ฤทธิทางใจร่างกายจะเป็นยังไงก็สั่งใจใช้ได้เสมอร่างกายจะเคลื่อนลุกไปขึ้นก็ไม่เป็นไรจะไปได้รวงว่าการใช้ฤทธิแม้ตแต่ทางใจก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งขอเป็นยาหกการาแสดงฤทธิ์ได้ทางใจก็เป็นซึ่นหนึ่งข้อการสแลลสดงฤทธิ์เป็นมาตรายข้อเป็นญาหเป็นส่วนหนึ่งเป็ข้อที่หนึ่งฟังคิดไปเสาตุยาน ในเสือไเสียงที่ประสสดหูทิศควันเยือนต้งใช้คาว่าที่ประโสติยานมูลความรู้จากศาสตร์หูค้ายหูทิศในสมายความว่าถ้าต้องการได้ยินเสียงกวเป็นเสียงคนเสียงสาวเสียงพูดหญิงเสียงสาวเสีงที่บรรดาเสียงสมเเสียงท่น า, งทมมนงทานปยู่สูงกว่านั้นเราต้องการกว่ารู้่าไรก็รู้ได้ ไม่โช่ปสาทหูทุสถ้าเราใส่หูที่มันจมไม่ลงเสียงคนเสียงสัตวในป่าในโลกนี้มันดังไม่ขาดสายถ้ามีประสาทหูกระทึกมันจะได้ยินหมดแต่ได้ยินไม่รู้วเรื่องอะไรต่างต่างภาษาเสียงกันใกล้เข้ามาก็กลายเป็นหูดื้อไปความจริงต้องเรียกว่าทุบโสตยานมีความรู้สึกทางใจเช่าทางหูเหมือนกับหูทุส แล้วไอ้เสียงท่านเขพูดเรื่ตั้งแต่เมื่อไรจะว่าจตบรการราปีเรามัมก่กเป็นแสงแสงจับเาสงไข่จับก็ตามเขาพูดว่าตั้งแต่เมื่อไรถ้าต้องการจะทราบเสียงนั้นจะทราบเสียงทันทีว่าท่านคนไหนพูดอย่างไงท่านบทบาท่านบทบาทแบบอย่างไงท่านบทถามถามว่าอย่างไงเป็นต้นคนคนเชืดาวเสียงเทวดาเสียงผีก็ทราบหมด วันนี้เขาเริ่หูยาวต้องการจะรู้ไปรู้อืมวันนี้ถ้าหายเท่าไรศาสตร์หูจะได้เท่ายานทางหูนายก็ถือว่าได้อีกหนึ่งในสัญญาหูแต่ผู้คนฝุกแล้วต้องทําให้คล่องต่อไปจะรู้จักสมดุลใจคนอื่นที่ดว่าเจโตปิญญาญาณเขาไม่เจโตริญญาญาณรู้จะรู้สิตใจถ้ารู้รู้จักใจคนอื่น คือเขาเลิกอย่างไรเขามีสุขหรือเขามีทุกข์เขามีความรู้สึกเป็นยังไงเราสามารถทราบไม่ต้องเดาทางสีหน้าไม่ต้องเดาทางการตัวกามรู้สึกอย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทเป็นความรู้สึกที่ไม่หนักคือไม่ต้องรู้จักหน้ากันเลยเป็นแบบเพียง ไ, ได้ยินที่ว่าท่านคนนั้นอยู่ที่ไห น, นเราอยากจะทราบว่าท่านคนนั้นมีความสุขหรือมีความทุกข์ มีความเป็นอยู่อย่างไงจิตใจมีความรู้สึกงไงเราก็จะรู้ท่านคนนั้นเป็นผู้ได้ชานโอปีขั้นไหนเราก็ทราบเป็นพระหรืเอเจ้าขั้นไหนเราก็ทราบในการที่จะรู้การที่ยวทราบจริงจร ง, จรงบรรดาพระพุทธศาสนาเพื่อให้มั่นยําจึียงให้ถามตรงพระพุทธเจ้าจะขอพูดครั้งหนึ่งจะมุ่งค้นว่าพระพุทธเจ้าลุกพันไปแล้วถามใคร เย่าลว่าพระเจ้าท่านไม่ได้สนไปจากโลกทั้งสามโลกเนี่ยสมมาโลกคือว่าโลกมนุษโลกเพราพระพุทธเจ้ามันสนกันด้วยเขาวางนึกถึงท่านพระพุทธเจ้ายังอยู่นั่นคือวิชาความรู้ให้นึกถึงพระพุทธเจ้าจะปรากฏเป็นภาพพุทธนิมิตเกิดขึ้นภาพพุทธนิมิตนั่นจะเป็นองค์ทั้งนั้นนิมิตาต่างถือว่าเป็นพระพุทธเจ้าก็แล้วกันให้โทนถามโดยตรง รับคำตอบแบบไหนเชื่อแบบนั้นทันทีจะไม่ผิดไม่ว่าใครทั้งหมดอย่างนี้ไม่จำเป็นขออนุญาตเพื่อรู้ถ้า ต, ตอบไปก็ปลุกปีนิวาสสามัญรสชาติได้นี่ก็เป็นอปิญารสชาติที่ต้องฝึกในสม่ำเสมอวิธีฝุกไม่ต้องเรียนลำดับเผลอเรียนลำดับชาติหนึ่อยลงไปไนี่หน่อยมาก ต้องการรู้ชาติไหนเป็นอะไรเมถึงภาพนั้นภาพได้ดูถามพระพุทธเจ้าถ้าขอเห็นภาพเลยอันนี้ไม่ยากถ้าใช้วิธีถามพระพุทธเจ้าแล้วก็ใช้อเครืองเขีนภาพอันนี้ไม่มีการผิดแล้วต่อไปเราพุทธพุทธเจ้าคุ ย, ยานตาทิพย์ตัวมีความรู้สึกทางใจใคล้ายตาทิตอันนี้ไม่ยาก แต่งทุกประญาในใครอยู่ที่ไหนต้องการจะทราบลักษณะเป็นยังไงรู้หมดถ้าหากจะให้ชัดจริงๆอย่าลืมถามพระพุทธเจ้าอีกทีทุกอยงอยลืมทิ้งอย่ลืมถ้าะท่านลงมาแล้วถ้าต้องการรู้ด้วยตนเองนี่มันที่นั้นก็พลาดผิดได้พราบได้บางทีผิดไม่มากพราบไม่มากมก็ผิดแต่ยังมีผิดมีถูกถ้าถามทรงพระพุทธเจ้าไม่มีผิด บอกสวัสดิ์ขวัญทำกิเลสให้สิ้ไปทำกิเลสห้สเปลือง่ น, งงนกิเลส้สิ้นท่านโดยโสดาท่นพรนนสุทาชาทานนาช า, า, า, า, าชาล า, าหันคว่าั้งพระโดาบงกระเว่าถึงวิญญา6กแล้วอรหันดาท่านพุทธบริษัทเปลาลิมงคลที่ดวันนี้ก็มาพูดกันถึงเรื่องมรณ า, า, านัทธิสมถทานกาบังเกิดการบังเอิญที่พระมหาทั้งปองทั้งหลภาพ แล้วจะมาลอาให้เห็นหาแล้วก็อยากรวมพุทธบริษัทจนอยากคิดแต่ว่าใครตายที่ไหนอะตมารู้ทั้งนั้นไม่จริงนะถ้าเขาไม่มาให้เห็นก็ไม่เห็นเขาไม่มาให้รู้ก็ไม่รู้อย่าไปคิดว่าทุกคนถ้าตายแล้วไปอยู่ที่ไหนอะตมาต้องรู้ทั้งหมดอันนี้ไม่ถูกต้องอะตมาจะไม่เขวียนไม่ใช่ชาติที่จะตรงมีถ้าไม่อยู่ก็ไม่ใช่อย่างนี้เพื่อรู้เพื่อไม่กังวล แม้แต่ตัวเองก็ป่วยแค่ไม่สมบายยันหนักเวลานี่ห่วงตัวมากไม่โย่ห่วงเพราอโย่ห่วงเพราะตายเสรวจมิจตายไม่ในสติมันจะโย่จะคงโคุงกังวลใจต้องป่วยหนักจะมาหาทั้งพนทั้งเสดที่หลังที่เราตายไปแล้วอาจะมาแก่กว่าคิดว่าไม่ช้าก็คงตายถ้าเรื่งความตาย ม, มันดาเป็นพุทโธจักก็เป็นมรณะนอสติกรรมฐานอ <c oughs> เป็นกรรมฐานที่มีความสำคัญของบรรดาเป็นพุทโธขัทติท่านจงอย่าลืมยอย่าลืมคิดว่าชีวิตนี้มันต้องตายเมื่อคิดอย่างนี้แล้วบรรดาเนพุทโธขันธ์หลายพุทธญาลรวบรวมทางความดีหนึ่งมีการให้ทานไว้เป็นปกติอสองรักษาสมไว้เป็นปกติสามเจริญภาวนาเท่าที่กำลังใจจะถึงทําได้จิดใจจับพระพุทธรูปไวเป็นกำลังใจหรือจับภาพพระสงฆ์เป็นกำลังใจ เมืนอ่อนทางกองบายบุญกุศลที่ทำไว้อย่างนี้บรรดาท่านุู้บริษัทธ์หลายเมื่อตายจะไม่สิ้นหวังคือจะพบเพื่อได้ถึงเรื่องความดีอะ ไ, ไบรรดาท่านผู้บริษัทเวลาหรือเมื่อถึงช่วงวินาทีเขาแลก่อนเพาความสุสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูร ณ, ณ, ณ์ผลผลยงมีแต่บรรดาท่านผู้โดยสารนิยมชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี